ขออนุญาตถามค่ะแต่ไม่ใช่ของโยมค่ะมีเพื่อนฝากถามมานะคะ mm hmm. ก็เขาพอดีเขามาปรึกษามามาถามแล้วโยมก็ตอบเขาไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาเขาเจอนั้นจะตอบเขาว่าอย่างไรดีค่ะคือเพื่อนเขาก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาสวดมนต์ภาหุงอยู่ที่บ้านแต่พอเขาก้มกราบปุ๊บเขาบอกว่ามันมีสติรู้ขึ้นมาคือ คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาพูดถึงหมายความว่าอย่างไรแต่เขาสติตัวนั้นจะพาเขาทําทุกอย่างเองแม้กระทั่งกรรมการท่ากราบที่เขาเคยกราบปกติใช่ไหมคะก็กลายเป็นกราบกราบแบบถวายบังคมสามครั้งแล้วเขารู้รู้รู้จิตของเขารู้เรู้ร่างกายอะค่ะเขาแค่ยกก้นขึ้นมาปุ๊บปกติถ้าไหว้พระเนี่ยเขาจะลุกขึ้นออกมาเลยใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเขาลุกขึ้นแก้ตั้งข่าแล้วก็ถอยหลังออกมาเหมือนเหมือนกับ ต่อหน้าผู้ใหญ่มากๆก็บอกจิตมันพาทำไปเองแล้วก็จะมีสติรู้อยู่ทุกขณะทุกขณะของเขาเลยเหมือนกับอยู่ในอารมณ์กรรมฐานตลอดประมาณครึ่งชั่วโมงกคริยาต่าทางก็บอกว่าจะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยมากกว่าปกติจนถึงเขานอนจนถึงเ้านอนพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็กลายเป็นปกติเหมือนเดิมอะค่ะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เพื่อนโยมพบนี่เป็ น, เ ป, นเป็นอะไรคะก็บอกว่า ของเขาก็มีหน้าที่แค่รู้อย่างเดียวก็รู้หนอรู้หนอก็แค่รับรู้สิ่งที่สิ่งที่ถูกกระทําอยู่แต่เขาก็ตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่เขารู้นั้นมันคืออะไรกิริยาที่ออกมาก็บอกว่าไม่ใช่ตัวตนของเขาที่เขาเคยเป็นค่ะมันละเอียดมากค่ะเหมืนวิปลาสว <c oughs> ิปลาสว <c oughs> ิปลาสไปอีกแล้วใช่ไหมคะวิปลาสแสดงว่าโยมก็วิปลาสเจอเพื่อนก็วิปลาสอีกคนการปฏิบัติเนี่ยอื บุคลิกเราเนี่ยเป็นยังไงวาสนาความเป็นมาเราเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ไม่หลงไปกับกิเลสให้เป็นทุกข์แต่บุคลิกก็ไม่ได้เปลี่ยนได้เพราะว่ามันเป็นวาสนาที่ติดตัวมามันดับได้เฉพาะกิเลสและความทุกข์แต่ดับวาสนาไม่ได้พระอรหันต์ดับวาสนาที่บุคลิกที่เป็นมาเนี่ยทําพบชาติที่เกิดมาเนี่ยหลายภพชาติดับไม่ได้ดับได้เฉพาะกิเลสและความทุกข์ถ้าเปลี่ยนบุคลิกตัวเองไปเลยอันเนี้ยวิปปารา ออบอะว่าพระอรหันาหาย์ยังเปลี่ยนบุคลิกไม่ได้ยกเว้นพุทธเจ้าเท่านั้นเน่ยเพราะว่าพุทธเจ้าล้างบุคลิกตัวเองล้างวาสนาเนี่ยจนกระทั่งทุกอย่างมาเรียบร้อยเหมือนผ้า พ, พับเนี่ยมานาสี่อสองไขยแสนมหากับแต่อาหารหันไม่พออาหารหันตปฏิบัติเพียงมุ่งแค่สิ้นกิเลสและความทุกข์สิ้นความยึดเท่านั้นแต่บุคลิกไม่ได้เปลี่ยนบุคลิกใครบุคลิกมันเลยไม่เปลี่ยนบุคลิกแต่บุคลิกเปลี่ยนไปแสดงว่าวิปลาสละไม่กระตั้งชั่วขณะก็ไม่ปกติแล้วใช่ไหมค่ะ เห็นเยอะแยะมากไปปรุงไปปรุงมาออกลําเต้นแรงเต้นกาบางทีก็สวดมนต์เป็นภาษาแขกบุมบุมบุมบุมบุมบุบุมบุมขึ้นมาเป็นภาษาอะไรคำว่าตัดเทศภาษาอะไรวิปลาสหมดนะบางทีก็ลุกขึ้นเต<ล>้นแรงเต้นกาเป็นวัวเป็นควายเป็นอะไรร้องลั่นไปหมดวิปลาสนี่ก็ลําจึ ง, จ, งจังจงุงจังลุกขึ้นลํำตอนแรกก็ทําท่ายุก ย, ยัก ย, ยุกจัก ย, ยึกยักย้ายไปย้ายมาทําเอเอะนั่งเฉยก็ทำทำย้ายไปย้ายมา ย, ยุก ย, ยักยุกยักเดี๋ยวเ๋ยวพอตักพักกระโดด โดโดโตเราตืน่นเลยเนี่ยวิปลาสวิปลาสค่ะสาธุค่ะอะบุคลิกอย่าลืมนะว่าบุคลิกต้องไม่เปลี่ยนเนอะมันดับได้เฉพาะกิเลสและความทุกข์เท่านั้นอัหลาหัน่ะแต่บุคลิกไม่ได้นะบุคลิกดับไม่ได้วาสนาเนี่ยเขาเรียกวาวาสนาดับไม่ได้เราเคยเกิดเป็นลิงมาหลายชาติเราก็กระดูกกระเดกนั่นเนี่ยเราเคยเป็นเสือมาหลายชาติเราก็มโหละเราก็ฮึ่มๆอยูเรื่อยพึ่มๆเลย เออแล้วแต่ว่าเราเกิดเป็นอะไรอะ่ะ เ, ออเราเคยเกิดมาติดต่อกันหลายชาติเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหะมันเป็นความเคยชินติดจิตมาวาสนาเก่า